รับขอบคุณพระเจ้านะครับคริสเตียนมีเป้าหมายหนึ่งคือมีชีวิตที่สรรเสริญแดบบ่พระเจ้าหรือที่เรียกว่าถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าส่วนจะทำไงแบบไหนได้อย่างไรก็ต้องเป็นเรื่องของการเรียนรู้ระหว่างตัวเองกับพระเจ้าโดยมีพระคําพระเจ้าเป็นพื้นฐานนะในการจะเรียนรู้ว่าจะมีชีวิตในการถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าได้อย่างไรนะครับก็สืบเนื่องมาจากการไปดู ง, งานนะครับ ก็มีตัวหนึ่งที่อยากจะมันคุยให้ฟังแล้วก็สรุปแนวความคิดโบท์เปิดโรงเรียน่ยังที่บอกแล้วโบทเปิดโรงเรียนบน์เชิงวิถีคิดคือวัตถุประสงค์นะคเพื่อจะรักษาลูกหลานริเียนไว้ให้มั่นคงในพระเจ้าเติโตัวในพระเจ้านะครับโดยมีเป้าหมาย กายก็เติบโตขึ้นเป็นผู้นำทางสังคมกระท่านเป็นผู้นำดับโลกเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สร้างสังคมไม่สร้างสรรค์เพื่อตัวเองแต่สร้างสรรค์เพื่อสังคมนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายเพื่อการถวายเกครตพระเจ้าเมื่อคนเห็นเขาแล้วเห็นพระเจ้านะเห็นเขาแล้วเห็นพระเจ้า เขาใช้คำพูดว่าสตันส์ครูหรือที่ศึกษาวาฒนทิศไม่พอในการจะสร้างเด็กเด็กอาจจะเป็นเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของประเทศชาติหรือของโบสแต่เขาคือร้นอยเปอร์เซ็นตนหนากกคะเาจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่ร้อยเปอร์เซนในการทำหน้าที่สืบสารต่อจากเรานะครับคุณสมบัติของครูเนี่ยมันอาจจะมีหลายเรื่องแต่อาจิบมาเรื่องหนึ่งคือคุณสมบัติครู คนที่จะเป็นครูในโรงเรียนนี้นะโรงเรียนที่คิดจักเปิดขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกต้องมีหัวใจแห่งพันธกิจนะก็เรียกว่ามีมิชชั่นมล์ต้องมีหัวใจในการอยากทำบพักิจไม่ใช่อาชีพหลักแต่มีหัวใจในการทำธุรกิจไอ้สองเ็าบอกว่าต้องมีการอุทิศตนนะนั่นะคือสืมนขัน มีการอุทิศตนสามมีการเป็นมืออาชีพไม่ใช่มีครูสมัครเล่นนะฮะไม่รู้ไปไหนแนละ้วเป็นครูดีกว่าสำหรับเงี้ไม่ใช่เป็นครูมืออาชีพแปลความว่าผ่านการฝึกฝนมาระดับอย่างดีแล้วมาเป็นครูซึ่งถ้าพูดถประเทศไทยสมัยก่อนคนเป็นครูนี่ไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายต้องผ่านกระบวนการเยอะมากนะครับ <c oughs> เป็นคนที่มีความกระตือร้อนภูมิในการคนหนึ่งในโรงเรียนหนึ่งเขาไม่สนใจเรื่องเงินเดือนโบสถ์ให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหะแต่อยากจะมีวุฒิใจในการสร้างคนทุ่มเทเต็มที่นะฮะแม้ทั้งโบสถ์ส่งเข้าไปดูงานไปทําวิจัยที่ยุโรปนะว่าโรงเรียนคิดเซิงเกิดเปิดขึ้นมาเพื่ออะไรเขาทำวุฒิใจจกระทั่งกลับมาที่ ประเทศตุรกีแล้วก็เปิดโรงเรียนให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะไม่ได้เปิดแข่งอะไรเป้าหมายไม่เปิดแข่งอะไรเป้าหมายให้เปิดเพื่อสร้างคนนะฮะให้เป็นคนของพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าและมีการได้แทบทำให้คนได้เห็นพระเจ้าจากชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่เป็นเป้เปาหมายนะครับนั้นครูเตียนจําเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ธรรมพีไม่ใช่เป็นแค่จบครูมาก็ใช้ได้ ต้องมีความรู้ของผีด้วยที่สําคัญคือมีประสบการณ์อันยาวนานคําว่ายาวนานแต่ว่ามีประสบการณ์หลากหลายบางครั้งมีประสบการณ์แต่เล็กไปนะก็ถือว่าประสบการณ์ในพระเจ้านะประสบการณ์ด้านภารกิจและประสบการณ์ด้านชิ้ส่วนตัวกับพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณสมบัติของครูในโรงเรียนวิถีคริสต์มันใช้ ค, คาพูดนี้ให้กับพูดนี้นะ คุณสัตว์นี้แต่คุณสัตว์นี้ผมดูแล้วเนี่ยนี่คือคุณสัตว์บงคนที่จะรับใช้พระเจ้าอาชีพไหนก็ได้ขอให้คุณมีความคิดแบบนี้และความคิดนี้เกิดขึ้นจากคำคาหนึ่งคือ Follow God's Vision ติดตามนิมิตของพระเจ้าคนที่มีความคิดอย่างนี้นะฮะต้องมีความคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือความคิดในการจะติดตามนะะนิมิตของพระเจ้า จิงเราพดถึงนิมิตนิมิตนะนะครับนิมิตที่สําคัญที่สุดคือนิมิตของพระเจ้าไม่ต้องไปแสวงหานิมิตอื่นนะครับและนิมิตสำคัญที่สุดพระเจ้าให้กับเราและพระเยซูรับมาคือพระมหาบัญชานะนิมิตของพระเยซูกฤษนะฮะที่ได้รับจากพระเจ้าและพระองค์ก็ถ่ายทอดนิมิตนั้นให้กับเรานะครับนั่นคือสิ่งสําคัญที่อยากจะให้มองเห็นนะครับเทวพีตอนหนึ่ง ซึ่งคุณเคยกันมากรับคริสเตียนนะครับคือพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อที่สิบหกนะครับพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อที่สิบหกนะยอห์นสามวันสามข้อสิบหกนะครับไม่อ่านก็น่าจะท่องจำได้แหละนะครับแต่อ่านให้ฟังเพื่อความชัดเจนนะครับพระธรรมยอห์นบทสามข้อสิบหกได้กล่าวบอกว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อันนี้เป็นคำตรัสของพระเยซูนะพระเยซูพูดกอบมิโคเดมสัสชัดเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองเดียวของรองค์เพื่อทุกคนที่วางใจ ในพระบุตรมันจะไม่พิน้าแต่มีชีวิตนิรันดร์ร่วมใจฐานครับปบิดาจ้าสังสนขอบคุณในความรักความไม่ต่างพรงษ์พัมพีตอและการ ใ, ใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตะเตือนว่ากล่าวการประปรุงแก้ไขคดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพงจะพ ร, พร้อมในการทาการนี้ทุกอย่าง อวยพรในข้ามงานทุกคนในการเข้าใจในพระจพเจ้าโดยการแสดงพงยานบริสุดของพงยานสุดอิจฉาหลายตามชอบประไทยพระเจ้าทุกประการจึงไอ้ฐานสรงเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าอวยพรข้าหลายณเวลานี้และพระองค์จะตรัสั้งหลายเป็นการส่วนตัวข้าหลายแต่ละคนเช่นเดียวกันขอบพระคุณในความรักพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน ลักษณะของคุณครูหรือผู้รบใช้คือมีหวัวใจแห่งพันธกิจมีการอุทิตนนะมีความกระตือมีความเป็นมืออาชีพมีความกระตือร้นนะมีความรู้ทาง พ, พงุ้มทีอย่างดีนะครับมีประสบการณ์นะตั้งด้านไปจิตปิญญาณมีประสบการณ์ได้ทั่วไปนะอันนี้คือการรับสิษเจ้าบนพื้นฐานของคำว่าติดตามนิมิตของพระเจ้า นั้นต้องมีคุณสมบัติสองอย่างเหมือนอย่างพระเยซูคุณสมบัติแรกนะฮะก็ได้กล่าวและกลิดว่าคือการติดตามนิมิตของพระเจ้าคนที่จะมีความคิดแบบนี้มีท่าทีอย่างนี้มีใจแบบนี้ต้องเป็นคนที่ติดตามนิมิตของพระเจ้าและนิมิตของพระเจ้าที่อา่านไปแล้วก็คือในพระธรรมยอบ์นสังส่วนก็เป็นเรื่องของนิมิตของพระเจ้าพระเยซูเนี่ยถูกใช้มาเนี่ยชัดเจนมากกว่าใช้มาทําอะไรเพราะอะไรเหตุผลอะไรเนี่ยพระเยซูชัดเจนมาก นะครับนั้นในพระธรรมที่าอ่านกันเนี่ยพระธรรมยอห์นสามท่หกเนี่ยเป็นเรื่องของการที่พระเยซูรับนิมิต จ, จากพระเจ้าในพื้นฐานว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกในพื้นฐานเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้เหตุผลเดียวเลยคือเพราะรักโลกรักโลกคือรักมนุษย์รักทุกสิ่งในโลกเพราะทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งพระเจ้าทรงสร้าง พปร่งไม่ละเลยสิ่งสิ่งสาร า, าสัตร์ต้นไม้หรือแม้แต่เป็นทรัพยาการต่างในโลกนี้นะฮะไม่ละเลยพปร่งไม่สนใจคนอย่างเดียวพปร่งสนใจคนและสนใจทุกสิ่งแต่พองษ์เริ่มต้นจากคนเพราะพองษ์รู้ว่าถ้านําคนกลับมาได้คนก็จะไปนําทุกสิ่งกลับมาเหมือนกันน ะ, ะถ้านําคนกลับมาได้ คนที่เคยทําร้ายตัดไม้ทําลายป่าเขาก็จะไม่ตัดไม้ทําลายป่าเมื่อเขากลับรู้จักพระเยซูคริเจ้าพระองค์จึงเริ่มต้นที่คนเพราพระเจ้าว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อคนและคนจะต้องดูแลใช่ไหมในบทธรรมการพูดชัดพระองค์สร้างสิ่งสารพัดไว้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าให้มนุษย์มี อ, าอํานาจในการครอบครองสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงสร้างนั้นพระองค์จับที่คนคนกลับมาธรรมชาติกลับมา คนกลับมาสิ่งแวดล้อมดีกลับมาคนกลับมาสังคมดีกลับมาเพราะทุกวันเสียไปเพราะคนเพราะคนการเป็นคนบาปจึงมีปัญหาเกิดขึ้นนั้นการติดตามพระเจ้าเนี่ยพระเยซูชัดเจนว่าพระเจ้าใช้มาทําอะไรแบบไหนนะฮะทาพระองค์ก็ทําตามนิดนั้นน ะ, ะประธานทุทองค์เดียวพระองค์ก็ยอมมาเมื่อพระเจ้าให้มากรามนะครับ ทำตามนิมิต ท, ที่พระเจ้าบอกชัดเจนมาหาคนบาปนั้นพระเยซูพูดหลายครั้งนะคนป่วยต้องการหมอนะครับคนสบายไม่ต้องการหมอและพรงศ์ไม่มาหาคนดีพรงศ์ไม่มาหาคนชอบธรรมแต่พรงศ์มาหาคนบาปพรงศ์มาหาคนป่วยโดยเหตุผลนี้เมื่อพกเผยสีบอกเขาไ ม, ม่ตาบอดพระเยซูบอกว่าท่านเมื่อท่านพูดท่านไม่ตาบอดท่านจึงมีบาป แต่คนตาบอดนั้นเมื่อได้ขายบอดเขาติดตามพระเยซูนั่นคือสิ่งที่ใหญ่มองเห็นภาพชัดเจนมากพระเจ้าให้นิมิตกับเราให้เรามองเห็นนิมิตและพยายามให้เราทำตามนิมิตนั้นโดยเหตุผลนี้ในพระธรรมสดีบทที่ยี่สิบเก้าขอสิบแปดว่าที่ใดที่มีีการเผยธรรมที่นั่นประชากรและขาดความยับยั้งชั่งใจ ในสาษาเขื่อใชว่าที่ใดที่มีการสำแดงของพระเจ้านะหรือที่ใดที่ไม่มีนิมิตของพระเจ้าที่นั่นประชากรก็ขาดการจับยังช่างใจนิมิตของพระเจ้าแปลความการสำแดงของพระเจ้าที่มาถึงเราพระเจ้าสำแดงกับพระเยซูว่ากรุงรักมนุษย์และกรุงปันารรส่งพระเยซูามาช่วยมนุษย์เหมือนกับพระเจ้าสำแดงกับโมเส ให้รับรู้ว่าประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์กำลังตกทุกข์ลำบากนะกำลังถูกกดขี่กลมเหงเราจะส่งเจ้าไปนำเขาออกมาคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันประชาชนคนไทยพาวันได้เป็นคนบาปและยิ่งแย่ลงแย่ลงแล้วแย่ลงตามคำพยากรณ์ของเยซูว่าความรักก็เยือกเย็นลงนะและความอัธรรมก็แผ่กว้างออกไป นั่นคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นังนั้นสิ่งเดียวที่แก้ไขได้คือพระเยซูต้องไปบังเกิดปมนุษย์พระเจา้าจึงส่งพระเยซูมาพระเยซูจึงมาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพราะโลกนี้ไม่น่าเกิดไม่น่าจะอยู่นะด้วยเหตุผลนี้คนไทย้ก็พูดไว้นะตายแล้วก็สิ้นเวรสิ้นกรรมไง เหตุผลไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากลาบากะนะครันั่นเป็นคกพูด ถ, ถ, ถูกอย่างหนึ่งคือคาว่าสิ้นเวริศ ก, กรรมอา จ, จแคแ่แมหมายความกระตาแต่หมายความว่าไม่ต้องเผชิญกับปัญหาความบาปไปโลกอีกต่อไปแต่หลังจากตายไปเจอใครอีกรุ่งหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งเ <c oughs> ป็นอีกเรื่องที่ทเราทิ่เสียนรู้ดีคนนี้เชื่อพระเจ้าเราถือว่าหมดทุกข์ได้ยากนั้นบรญญาจารย์กล่าวว่า คนที่ตายก็โชคดีคนที่ยังเป็นอยู่ใช่ไหมคนที่ตายไปแล้วโชคดีคนที่เป็นอยู่และคนที่ยังไม่เกิดมายิ่งโชคดีกว่าเพราะไม่ต้องมาเชิญเะยนี่คือคาพูดของปัญญาจารย์หรือกษัตริย์โซโลมอนเปาโลใช้คพูดคล้ายๆกันอยู่เพื่อระคิดตายก็ได้กําไรกําไรเลยไม่ต้องมาเชิญความทุกข์ยากลำบากต่อไปไม่ต้องนิดนึงต่อไปด้วยเหตุผล น, นี้จึงแฉว่าสําเร็จแล้ว ได้ทําหน้าที่เสร็จแล้วสําเร็จแล้วและจากนี้ไปไปอยู่กับพระเจ้ามันคือกําไรนั้นก็เหมืนใจใมองเห็นว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตความคิดของคนที่เออ่ติดตามพระเจ้าคนที่ติดตามพระเจ้าหมายถึงคนที่รับใช้พระเจ้านั้นในพระธรรมโครินแชนพูดว่าไงให้เราถือว่าทุกคนเป็นคนรับใช้พระเจ้าไมในเฉพาะคนนี้ ผมก็รับเทพเจ้าในหน้าตำแหน่งหน้าที่ของผมทุกคนก็รับเทพเจ้าในฐานะที่เป็นอวัยวะในประกายพระคลิกอยู่ตรงไหนก็รับแชงนั้นเป็นมือก็ทําหน้าที่มือเป็นตาทําหน้าที่ตาเป็นหูทําหน้าที่หูเป็นปากทำหน้าที่ปากแล้วแต่พระเจ้าให้เราเป็นอะไรก็ว่าไปตามนั้นนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยนิพพิทุมะเจ้านอกจากให้รู้ว่าต้องมาทําอะไรแล้วยังมีการคาดหวัง เป้าหมายสูงสุดเพื่อคนที่วางใจในพระเยซูนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนยรันพระเจ้าไม่ส่งพระเยซูมาตายเพื่อไถ่บาปเราที่เฉยด้วยเหตุนี้จึงมีการเป็นจากความตายพระเยซูถ้าพระเยซูไม่เป็นจากความตายความเชื่อของคริสเตียนก็น่าสมเพชที่สุดอะเปาโลใช่พูดนะถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นจากความตายและถ้าเป็นการเป็นจากความตายมีความเชื่อของคริสเตียนก็น่าสมเพชที่สุด เพราะที่เรามีความหวังใจเรายินดัดอยู่ได้เรามีความมั่นเพราะเรามีความมั่นใจในการเป็นจากความตายพระเยซูคริสต์ว่าพระเจ้าทรงก็ชนอยู่และเมื่อเราตายแล้วเราจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์นั้นคริสเตียนชอบปลอบใจกันในเรื่องหนึ่งเหมือยมาอาหนะ้าไม่ช้าไม่นานพระเยซูจะมาแล้วนะหรือไม่ช้าไม่นานจะไปอยู่พระเยซูแล้วโอ้มันมีความหวังใจไงถ้าไม่มีตรงนี้เลิกคุยเลยนะ ถ้าไม่มีตรงนี้ก็เหมือนกับความเชื่อทั่วไปอนณาทำดีไปเถอะทำดีไปเยอะๆทำให้มากๆาเพื่อความสบายใจแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรผลในการทําความดีคืออะไรตอบไม่ได้ทําดีขนาดไหนได้ไปสวรรค์นี่ตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้เลยไม่มีใครไม่มีใครเคยมาให้เ อ, อบอกเลา ว, ว่าทําดีเท่าไหร่ สอบได้ห้าสิบปอร์ซ็นยังผ่านยังรู้ว่าการเรื่อนชั้นเรียนต้องสอบได้ห้าสิ9เปอร์เซ็นตสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้า็ ต, ตกไงการสอบยังมีเกณฑ์เลยและทำไมการเข้าสวรรค์ไม่น่าจะมีเกณฑ์บ้างอะแต่ตามคำดีไม่ไม่เป็นเกณฑ์ในการเข้าสวรรค์บอกไม่ได้เลยดูเหมือนดูเหมือนแต่พระเยซูชัดพูดทิงวางใจในพระเยซู ผู้ที่วางใจพวกนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันต์คือชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดไม่ใช่ชีวิตที่อยู่ยงคงพันในโลกนี้ชีวิตนิรันต์เราได้แต่เรายังมีชีวิตอยู่นะคือภาษาไท ย, ยัจะมีปัญหาเมื่อเราบอกชีวิตนิรันต์ปั๊บเนี่ยภาษาไทยแปลว่าชีวิตที่ไม่ตายนั้นเมื่อเราคุยคนอื่นว่าเชื่อพระเยซูแล้วได้ชีวิตนิรันต์เนี่ยแหมอธิบายจะยาก นั้นผมก็ปรับใหม่นล้วเชื่อพระเยซูได้ไปสวรรค์นี่ง่ายมากสําหรับชีคนไทยนะเชื่อพระเยซูได้ไปสวรรค์แปลคําว่าเมื่อคุณเชื่อพระเยซูคุณได้อยู่สวรรค์กับพระเยซูเพราะพระเยซูอยู่คุณและตายแล้วคุณก็ยังอยู่พระเยซู ต, ต่อไปแต่คนไทยมีความสุขว่าสวรรค์จะได้ต่อเมื่อตายไปแล้วไงแต่สําหรับผู้เชื่อในพระเยซูสวรรค์อยู่กับเราขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเรามีพระเยซูพระคิด อยู่ด้วยโลกคล้ายสวรรค์พระเยซูที่ไหนสวรรค์ที่นั่นนะพราะมันจะของสวรรค์ไงถ้าพระเยซูยในเราชิ้นของเราก็เป็นเหมือนสวรรค์ที่อยู่ในเรานึกอะไรไม่ถูกโอ้พระเยซูยในเราเ น, ะนะนะผู้ย้อนว่าไงผู้ที่ในเราก็ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกอะ่ะทุกยากลำบากโอ้พระเจ้ไม่เป็นไรเรามีพระเยซูยอยู่อ่ามีกําลังใจนะฮะอ่ามีปัญหาหนัก อ, อกหนักใจขึ้นมา ตบ อ, อกเลยพระเยซูนีู่เรากำลังใจมาทันทีไม่เชื่อลองทำอย่าทำแรงเจ <c oughs> ็บอกพระเยซูนีู่เราบิ๊กชีบปลอบใจที่ดีสุดพระเยซูเราแต่พรงไม่ให้เราปลอบใจไปเฉยเมื่อเราพูงนี้มันมีแรงกระตุ้นมันมีแรงขับเคลื่อนครับลองเรียกพระเยซูสิพระเยซูยพระเยซูยพระเยซูยมันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในตัวเราอ่ะลองทำเดู๋ก็ได้ นะฮะมันจะมีแรงขับเคลื่อนบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเราแสดงว่า พ, พระเยซูอยู่เราจริงไม่ใช่เป็นแค่พูดไปเรื่อยๆเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าสจะยุคโดยไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการพูดลอยพูดจริงทําจริงเมื่อเราเรียกนามพระเยซูเราจะมีกําลังขึ้นเมื่อเราเรียกนามพระเยซูเราจะมีกําลังขึ้นลองดูได้ไหมลองดูนะลองดูเอาแบบเต็มความรู้สึกนะดังหรือค่อยไม่เป็นไรนะเอาเต็มความรู้สึก ลองเรียกชื่อพระเยซูชัดๆด้วยกันในความทรงเราสักสามครั้งนะเหมือนเราร้องคาว่าเฮรุยาแหละแต่เปลี่ยนจะกคาร์เอรเป็นพระเยซูสักสามครั้งมันจะมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตจิตวิญญาณหลังจริงเราด้วยนะหนึ่งสองสามพระเยซูพระเยซูพระเยซูยซยซอาเมนนะมันมีแรงขับเคลื่อนในหัวใจของเราในตัวของเรามีอะไรคิดไม่ออกบอกไปถูกเรียกพระเยซูกำลังใจจะมา น, นี่คือสิ่งอย่างหนุนใจมองเห็นภาพนี้นั่นคือสิ่งว่าติดตามนิมิตของพระเจ้าพระเจ้าให้นิมิตกับพระเยซูชัดเจนนะมาเพราะรักคนบาปนะเพราะพระเจ้าทรงรักโลกแล้วบอกพระเยซูว่าลงมามาอยู่กับคนบาปมาช่วยคนบาปเพื่อคนบาปจะไม่พินาศแต่มีชีวิตรัน เพื่อให้คนที่ขวนขวายหาสวรรค์นใจรู้ว่าการเชื่อพระเยซูจะได้ไปสวรรค์บางทีอาจจะมีเยอะแยะมากมาย ก, ก่อนแต่ไม่สร้างความมั่นใจกับเราแต่พอเชื่อพระเยซูไปสวรรค์ความมั่นใจว่าทุกครั้งที่เราไปค้หาทุกครเรียกพระเยซูทุกครั้งทงอธิษฐานมันมีปฏิกิยาโต้อตอบระหว่าพระเจ้ากับเราตรลอดเวลาเราจึงมีความมั่นใจนั้นเกิดขึ้นและสายนิสองที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่มีหัวใจในการรับใช้พระเจ้าแบบนี้นคือว่า ทำภารกิจเหมือนพระเยซูและเขาทำภารกิจเหมือนพระเยซูพระเยซูทำภารกิจแบบไหนในพระธรรมมัทธิวบทที่เก้าข้อสาสิบห้าถึงข้อสามสิบแปดอันดับแรกพระเยซูรู้ว่าพรงต้องทำอะไรในข้อสัมหว่าพระเยซูเจดํำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมราของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งปณิ น, นของพระเจ้าทรงสาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพู้เมืองให้หายพระเยซูรู้วพรงทําทอะไรสิ่งแรกพระองค์ทอะไรฮะไปทั่วไปสิ่งทางสั่งสอนในธรรมราสั่งสอนเรื่องของพระเจ้าพูดเรื่องพระเจ้าให้คนฟังไอ้สองคือประกาศข่าวประเสรศิฐคือข่าวดีว่า เชื่อพระเยซูได้ไปสวรรค์บัญญัติเป็นแค่กระจกส่องให้รู้ว่าเราควรต้องทําอะไรเราควรต้องเป็นแบบไหนแต่ผู้ช่วยเราได้จริงคือพระเยซูมันข่าประเสริฐคือพระเยซูพูดเรื่องพระเยซูเขาฟังเล่าประสบการณ์ในพระเยซูเขาฟังการประกาศข่าวประเสริฐไม่แปลความเทศนาหลายคนว่าประกาศวโอ้ประกาศได้ไงไม่เรียนมา ไม่ต้องเรียนเล่าเรื่องที่พระเจ้าทํากับเราเขาฟังเลยจบแล้วและเป็นความจริงด้วยเทสนาตานี้ยังที่อาจจะเทศผิดนะทำเป็นไปนะใช่ไม่มแต่เล่าเรื่องประสบการณ์จริงๆที่พระเยซูาทากับเราคนหน่งฟังเนะี่ยเป็นความจริงทั้งนั้นเราไม่ได้โกหกอนะ่ะนะฮะพูดอีกครั้งอีกครั้งก็เหมือนเดิมอ่ะนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดอีกครั้งอีกครั้งเหมือนเดิมตอนก่อนมาเชื่อพระเยซูก็อา่อา สนิทชิดเชื่อกับแอลกอฮอล์ดีแต่พอเชื่อพระเยซูแล้วก็เลิกไงใช่ไหมก่อนเชื่อพระเยซู وس, สนิทเชื่อกับเรื่องของควันบุหรี่ดีแต่พอเชื่อพระเยซูก็เลิกไงยังไงผมก็พูดตลอดเวลาเนี้ยเป็นเรื่องจริงอ่ะผมไม่ได้โกหกรเรื่องจริงอ่ะแต่ถ้าไม่มีพระเยซูสิเคยอยากจะเลิกหลายครั้งไปเชื่อไปถามคนที่ดื่มเหล้าอะไรต่างเนี้ยถามว่ามีมีหลายครั้งที่เบื่อไหมเบือ่อ จะกินเริ่มกันแต่สังคมมีเหตุผลดีๆที่จะให้ดื่มต่อไปเหตุผลกลัวขาดเพื่อนบ้างเหตุผลเพราว่าอมันนี้มันทุกข์ใจมัรู้ใจ ก, กินเหล้าย้อมใจกันแล้วกันมันก็ ม, นมีเหตุผลอย่างโอ้วันนี้ประสบความสิรีชีวิตดื่มฉลองซะหน่อยหนึ่งก็มีเหตุผลดีๆเยอะนะฮะโอ้จะเลิกแล้วจะไมีกินแล้เพื่อนสนิทมาชวน กลัวขาดเสียเพื่อนไม่ได้ก็เลยดื่มซะหน่อยก็เลยไปต่อผมเนี่ยเมื่อเชื่อพระเยซูปั๊บเนี่ยผมตังใจหนักเรื่องหนึ่งเรื่องเพื่อนสนิทผมมีเพื่อนซีเนี่ยเป็นเสรจรมกันงตัวผมคือสามคนสามารถใช้ตังกระเป๋าเดียวกันได้กระเป๋าตังทิ้งไปเนี่ยเข้าหยิบของผมได้ผมหยิบเข้าได้ ไปนอนไปกินบ้านเขาเข้ามานอนมากินบ้านผมแต่เราเชื่อพระเยซูไงแล้วหนักที่สุดคือมีหลายครัง้งทอบโทรมาอ้ยวันเกิดวันเกิดมาฉลองกันหน่อยนึกภาพออกเลยฮะฉลองทําอะไรบ้างนึกภาพออกเลยนะฮะแต่ยินดีฟังแรกโอเคเลยตกลงไป เพรานาเจอเพื่อนซีเข้าใจไหมแล้วเพื่อนซีด้วยมานึกถึงไอ้ทีถ้าไปดิผมไม่เจออะไรบ้างผมรู้ทีเลยสุดท้ายต้องโทรไปเซลไปไม่ได้แต่ไม่บอกว่าเพราะอะไรนะบอาไปไม่ได้นะฮะยิ่งหนักสุดคือเรื่องของพ่อเพื่อนเสียชีวิตบ้านนี้เราเคยเป็นนอนไปกินอยากจะไปครับ แต่ทนมั น, นคริสเตียนใหม่ฮรผมไปคริสเตียนใหม่ผมรู้ที่ผมไปผมจะเจอสภาพใหม่สุดท้ายตัสิใจไม่ไปถ้าเขาเสียเพื่อนนะฮะถ้าเขาเสียเพื่อนแต่ทั้งไปผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมจะอยู่ตนี้ได้เปล่ารู้เลยบรรยากาศเช่นจะเป็นยังไงแบบไหนแล้วผมรู้ตัวนี้ว่าเมื่อเป็นผู้เชื่อใหม่ณวันนั้นผมจะต่อสู้ตรงนี้ไม่ได้สักอย่างหนึ่ง และผูววน้นี้วางแผนไม่เรียบร้อยแล้วมัจะเอาเสมอใจกลับไปให้ได้วางนไม่เสร็จรนะ้อยนะเออนั่นไม่ใช่มหาแต่ว่าถ้าเรากลับไปเราแยกก็เสียเพื่อนไปซีซีไปสองคนไม่เจออีกเล ย, ยนั้นจนปัจจุบันนี้แต่ขอบคุณพระเยซูในพระเจ้ามีเพื่อนเยอะนะมีเพื่อนตายเยอะอย่าน้อยพระเยซูตายเพื่อเรานะขอบคุณพระเจ้านะ มันก็รู้สึกเสียใจและสุดเสียดายแต่ขณะเดียวกันเมื่อต้องแลกกันจะทํายังไงไม่ใช่พบเป็นคนเคร่งแต่รู้ว่าถ้าไปเมื่อไหร่ก็ตายมื่อนั้ก็เลยต้องสัญจรไม่ไปไงอันนี้เฉพาะส่วนตัวผมนะเหตุผลส่วนตัวจริงถ้าผมไปผมไม่แน่ใจวันนี้จะมีโอกาสได้ไหมการได้รับใช้พเจ้ามีหรือเปล่าไม่แน่อาจจะไม่มีเลยเพราะนึกออกนึกบรรยากาศว่าเมื่อไปต้องเจออะไรบ้างแบบไหนมันโมโหมันเรารู้อยู่นั้นเรารู้เนี่ยก็สุดท้ายต้องโอเคต้อง ขอพระเจ้าช่วยนะท่านไม่ไปแต่ไม่โทรบอก <c oughs> ไม่โทรบอกงานนี้ไม่โทรบอกไม่ไปดื้อเลยเนะี่ยเพราะไปแล้วหมดโอกาสจริงๆในการติดตามพระเจ้าจริงๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็หนุนใจมองเห็นว่าเราชัดเจนเรารู้ต้องทำอะไรนะฮะแล้วคาดหวังอะไรนั้นผมต้องเลือกเอาเลือกชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าหรือชีวิตจําทิ้งพระเจ้าการตัดสินใจเรื่องเพื่อมนมันจริงนะ จะเลือกเพื่อนหรือเลือกทิ้งพระเจ้ามันเป็นความหมายอย่างงี้จริงๆมันไม่ใช่เพื่อนธรรมดาธรรมดาต้องเลือกจะเลือกเพื่อนหรือเลือกพระเจ้ามันเป็นสิ่งีต้องเลือกแต่ถ้าเป็นทั่วไปก็ไปเป็นสังคมผม ไ, มไปงานที่เป็นงานเลี้ยงคนทั่วไปบ่อยสังคมสังคมเขาดื่มเหล้าก็ดื่มไปผมก็ดื่มโค้งผมไปก็คุยกันได้ในวงเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเพื่อนคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้น เท่านั้นเองมันต่างกันแค่เฉเพาะบางคนไม่ใช่ทุกคนตัวนี้ก็ไปงานสังคมงานนู่นตามก็เชิญไปตามความเหมาะสมควรนะ น, ะน้าอะไรจ้าเนี่ย น, นั่งอยู่กันเขาก็รู้เป็นคริสเตียนเขารู้จกักกันดีก็เชิญไปเขาดื่มไปเคาะก็ดื่มแมกโงงไปคืาก็ดื่มโคกไปกนนะนะก็ไม่มีหาคุยกัน แต่นั่งนานขารู้ว่าเขาอึดอัดเพราะเราไม่เคยดื่มนม้แล้วก็ลากลับเขาาสบายก็รู้จักตลอดเวลาใ้ใช้ได้นี่คือการเข้าสังค ม, มแต่เมื่อถึงการเลือกต้องตัดสินใจระหว่างเพื่อนกับพระเยซูเจ้าพัยนั้นผมเอาพระเยซูนะเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์เพื่อจะมีชีวิตในสวรรค์กับพระเจ้าซึ่งเราแสวงหามานะฮะนั้นคือเรารู้ต้องทําอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับ นั้นสิ่งที่ตามมาคือว่าการทําอะไรคือเรื่องหนึ่งพระเยซูทําเรื่องอะไรสอนประกาศข่าประเสริฐแล้วก็เรื่องแผ่นดินพระเจ้าแล้วก็รักษาโรคพมดูแลสังคมบางทีคิดจักไทยเราทําไม่ครบสภาขีดจกักรยัมีครบหมดนะเรื่องการสอนใช่ไหมก็คือโรงเรียนนะเรื่องการรักษาโรคคือโรงพยาบาล น, นะเรื่องการประกาศข่าประเสริฐคือขีดจกัก แต่จริงๆเขาไม่ให้แยกจากกันนะต้องทำไปด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันนะอะไรโรงพยาบาลก็ไปทางหนึ่งโรงเรียนไปทางหนึ่งแล้วก็อะไรอะบวกก็ไปทางหนึ่งไม่ใช่มันพันธกิจต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันต้องกลายเป็นเนื้อเดียวกันพระเยซูทาประกาศข่าวประเสริฐพรงรักษาโรคพรงสอนในธรรมศาสตร์เป็นเนื้อเดียวกันทุกคนฟังได้นั่นคืองานพระองค์ที่ทา และสิ่งที่พระองค์ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำแบบเพาะเป็นงานหน้าที่สิ่งที่พระเยซูพูดถึงในข้อสามบอกว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็สงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงคันที่จะมีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งคนคือวัจใจพันธกิจอุทิศตนเป็นมืออาชีพกระตือร้นมีความรู้ทางพีดีมีประสบการณ์ในพระเจ้าดีอะไรต่างพวกนี้ ต้องมีสายตาขอางพระเยซูคือเห็นอย่างพระเยซูเห็นถ้าเราไม่เห็นอย่างพระเยซูเห็นเราจะไม่ทําทําไมพระเยซูรักษาโรคทําไมพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐทําไมพระเยซูสอนเขาเรื่องพระเจ้าพงทรงเห็นว่าเขาเป็นคนน่าสงสารด้วยว่าเขาถูกรังควานไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงเรามีโอกาสได้มองชุมชน ด้วยสายตาของพระเยซูแบบนี้ไหมคนในยุคปัจจุบันเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เป็นเหมือนดุดฝูงแกะในผู้เลี้ยงกระเซาะกระเซิงชีวิตต้องปากกัดดีนถีบนั่นไม่เท่ายตงต่อสู้แข่งขันใครโ ต, โ ต, โตมีกำลังมีความสามารถกว่าก็อยู่ได้ใครตัวเล็ ก, กระถูกกืนกินไปหรือไม่ก็ตายไปเอง เราเรามองสังคมมองเห็นแบบนี้ไหมพระเยซูมองคนที่มามองอย่างนี้เลยสงสารเขาเพราะว่าเขาถูกรังควานนะฮะและไรยที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงเขาต้องการผู้เลี้ยงเขาต้องการคนที่ดูแลเขาเขาต้องการคนที่เอาใจใส่เขางั้นบางคํางคาคนที่มาโกหกเราก็เหตุผลเดียวกันจำเป็นต้องโกหกไม่งั้นไม่รับการช่วยเหลือ แล้วแต่แต่ถ้าเรามองดูให้ชัดว่าคนเราโดยพื้นฐานไม่อยากโกหกใครนะแล้วก็ไม่อยากไปเบียดเบียนใครนะ่ยแต่เพื่อความเอาตัวรอดไงเพื่อความเอาตัวรอดพระเจ้าพระเยซูมองเห็นนี้นั้นพระเยซูก็ช่วยเหลือทุกคนพระองไม่สนใจว่าใครจะมาหลอกลวงพระงมาทําอะไรแต่พระองค์ก็ทําดูแลเพราะว่าเขาเป็นดุลแล้วฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงสังคมในทั่วไปสังคมในโลกนี้ นะสังคมเรื่องของสงครามคขั้นสามหรือไม่ขั้นสามสักครับรถขั้นสามหรือไม่ต่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของผู้นี้ท่านเลยมันมาจากแรงความรู้สึกไม่มีผู้เลี้ยงเมื่อความรู้สึกไม่มีผู้เลี้ยงก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อดินจัดให้ได้ลักษณะเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่ต่างขึง้นก็คิดบนพื้นฐานนี้หมดนะจะถูกจะผิดอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันต้องรักษาตัวเองให้รอดจะใช้วิธีอะไรก็ตามแต่ คนเดือดร้อนก็นเดือดร้อนไปแต่ขันต้องรอให้ได้อั่นคือความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่พระเยซูมองเห็นไง น, นั้นการคิดจากตรงชุมชนต้องมองเห็นว่าชุมชนเขาเดือดร้อนและมีความต้องกาเรเฉพาะในสรมพราจิตใจใจใิตวิญญาณการที่เราเรียกเข้ามาโบสถไม่ง่ายหรอกเขาไม่มาหรอกยากแต่ถ้าเไปหาเขาทีก็พร้อมยอมรับนะครับพร้อมยอมรับนั้นจากการวิจัยผมข้อหนึ่ง เป็นสิ่งที่คิดหนักเลยชุมชนรักคริสเตียนรักการทำงานของคริสเตียนชอบในสิ่งที่คริสเตียนทำแต่ราแวงคริสเตียนครับเข้าใจความหมายนี้ไหมแต่เขาระแวงระแวงว่าเราจะกล่อมเขาให้มาเป็นคริสเตียนระแวงอันนี้เลยจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าเนื่องจากเราลงไปแบบ ไม่ใช่สายตาพระเยซูเนีไงเราลงไปเพื่อจะเอาเขามันเป็นของพวกเรามากกว่าจะลงไปเพราะว่ามองเห็นความต้องการเขาอยากจะไปช่วยเหลือเขาด้วยใจบริสุทธิ์ส่วนเขาจะตอบสนองแบบไหนย่างไรไม่ใช่ปัญหาของเราเ่ยเป็นหาระหว่างเขากับพระเจ้าอ่ะนะนั้นถ้าเราไปด้วจะพระเยซูไม่เคยเรียกใครรับเชื่อเเลยนี่โปรเมเทศนาเคยว่าใครสนใจพงติดตามมายกมือขึ้นไม่ม <c oughs> ีแต่คนที่เชื่อพระเยซูไหม ติดตามพงษ์ไปเองนะติดตามเองเลยนั่นคือสิ่งที่มองเห็นภาพนี้นั่นก็ลุ้นใจมองเห็นภาพน ะ, ะมีความรักอย่างพระเยซูเห็นอย่างพระเยซูนะฮะแล้วคอยเห็นน ะ, ะรักว่าเห็นอย่างพระเยซูและสาคัญขออย่างพระเยซูขอข้อสุดท้ายข้อสามเจ็ดบอกว่าแล้วพรงษ์ตรัสกับพวกสาวกพงษ์ว่าข้าวต้องเกี่ยวนั้นมีมาก ห, กหนาแต่คนงานน้อย อ, อยู่คําว่าเห็นอย่างพระเยซูเราเห็นไหมว่าคนต้องการความชี่ิเหลือมีเยอะมาก คนที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะมากแต่คนที่ลงไปเก็บเกี่ยวเนี่ยคนที่ไปช่วยเขามีน้อยยิ่งพิจักไทยมีแค่ไม่ถึงหนึ่งปอร์เซ็นแต่ช่วยคนทั้งประเทศยังไงไม่เป็นไรก็ทำให้ทําได้สิพระองค์ไม่เรียกร้องให้เราไปช่วยคนทั้งประเทศนะแต่พระองค์เรียกร้องให้เราทำไงทําเท่าที่สามารถทําได้พระองค์ไม่เคยบอกคุณถึงแม้พระงสังฆราจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์พระองค์ก็ไม่บอกว่าคุณต้อง ต้องไปให้ทั่วโลกแต่ให้ทุนไปไงเริ่มต้นไะงเยรูซาเล็มคุณสามารถกล้าไปถึงยูเดียก็ไปถ้าคุณสามารถกล้าไปถึงสมาเรียก็ไปถ้าคุณสามารถกล้าไปถึงสุดไปเลยก็ไปสิไปตามกํำลังความสามารถที่เป็นไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันทําตามแรงความสามารถนั่นคิดจากใครบอกโอ้เรายังไม่ส่มิสลีเพราะเรายังไม่พร้อมไม่เกี่ยวพราะไม่พร้อม ม, อ ม, มันเกี่ยวมีคนไปไม่ไป ยิ่งสมัยนี้ตามเขาสึ่อผมนะการส่รม ง, มงมิชลีเมืองเชียงโมานมากยิ่งในอาเซียนเนี่ยไปเดือนหนึ่งกลับก็ได้เลยะไปเช้ายังกลับก็ได้แล้วแต่นะไปทุกวันก็ได้งหมนประทากิจการเลยเดินทางไปเรื่อยเพราะว่าเป็นอะไรเป็นอาเซียนเป็นเมืองที่เมืองที่เมืองน้องนะมายังใช้มีซ่าอะไรที่มากมายนักยกเว้นจะ ก, กาันอยู่ประจําเป็นปีๆแว่าอีกทีหนึง่ง น, นั่นคือสิ่งที่ย่นกใจใมองเห็นภาพ่ะเห็นอย่างพิสุภาพภาความต้องการของประชาชนความการขโรกสูงมากแต่คนที่ออกไปทำงานน้อยในเมืองไทยเรามีคริสเตียนน้อยอแล้วและยังมีคนตัดสินใจใจะออกไปดูแลชุมชนน้อยด้วยอีกเนี่ฮะเลยน้อยับไปใหญ่นั้นสีนันงค่คือว่า เราจําเปน็นต้องมองเห็นพระเยซูว่ามีความร้องเรียกมีชาวมาซินโมเนียมีในร้อยคนิอัสที่เรียกร้องจากจะพบพระเยซูมากมายก่ายกกเกินแต่ไม่มีคนไปหาเขาและหลายคนพระเจ้าสแสดงเขาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ยังหาเปโตรไม่เจอยังหาเปาโลไม่เจอที่ไปหาเขาไปพบเขาพระเจ้าบอกเขาแล้วและเขาอยากจะมีใครสักคนช่วยบอกเขาต่อหน่อยนึ่ง นั่นคืมพบหลายคนโอ้โหจริงจริงงเชื่อพระเจ้ามานานแล้วแต่ยังหาคริสเตียนที่จะพูดคุยด้วยไม่ได้เนี่ยรอมานานแล้วหรอมานานแล้วโอเคครับรอมานานแล้วออวันนี้อาจารย์มาวันนี้คนนั้นมาวันนี้คุณมาทำให้เขาตัดสินใจในการติดตามพระเยซูเพราะรอมานานแล้วไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อแต่รอมานานแล้วเชื่อมานานแล้วแต่ขาดคนของโปรงที่จะไปเอาเข้ามานั่นเอง น, นั่คือสิ่งหนุนใจมองเห็นนะครับและสิ่งเราคนทำมันนี้ว่าถึงแม้เรามีกําลังน้อยแน่นอนให้เราขอองค์พระเยซูพเพฉะนั้นท่านจงอ อ, อ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเกี่ยวเก็บผลของพงขอองค์พระเยซูคนเหล่านี้พระเจ้าต้องการแต่คนงานยังน้อยอยู่เราคนเดียวไม่ไหวไอการขอข้อนี้นะขอพื้นฐานว่าเราทําอยู่แล้วแต่ทําไม่ไหว พงษ์เจ้าข่าส่งคนมาช่วยหน่อยไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วบอกพงษ์เข่าขอส่งคนมาเก็บเกี่ยวผลพงษหน่อพงษ์ก็ไม่รู้จะฟังไงนะก็ไอที่มีอยู่ทำไมไม่ออกไปทําตัวเองอยู่ทํำไมไม่ทาไปเก็บดิเก็บไม่ไหวเก็บไม่ได้ไม่มีกําลังพอแล้วค่อยมาขอคนไปช่วยหลายคนยังไม่ทำไม่เลยแต่ขอความช่วยเหลือแล้วลงมือทําก่อนที่ทาเต็มขนาดก่อนที่ทาสุดความสามารถก่อนที่แล้วขอแล้วพงษ์จะส่งมา มันในส่วนตัวของผมเนี่ยนี่คือส่วนตัวน่ะและเป็นนิมิต ด, ด้วยก็ไม่ได้ผักดันอะไรมากมายผมอยากจะมีคิดจักรลูปสักร้อยแห่งที่เป็นハウスเชิร์ตอยูน่นะว่ายัางไงผมต้องมีผู้นำร้อยคนก่อนไหมถึงจะไปหาไปทำให้เกิดร้อยแห่งผมไม่รอฮะถ้ารอร้อยคนผมอาจจะไม่ไปเพราะว่าตายก่อน ผมว่าจะทาให้ผมทําได้เริ่มต้นใ่ผมก่อนทําใครสนใจทําทาทาท ำ, ทำถ้าอย่างนี้ผมเชื่อว่าผมอาจจะมองเห็นรอยแห่งขณะยังมีชีวิตอยู่ก็คือเริ่มต้นจากเราไงน้ำบอกว่าผมทําให้ไหวแล้วพงศ์โยธาตอนนี้ตอนนี้บางคัางก็บางคางก็เป็นชายสามโบทอยู่แปดโมงชา้าไปแสนสุขสายมาคินกูาจินเย็นไปเตียมรัก ถ้าสามสามทางสามที่สามแห่งนะฮะถ้าบ่อยๆนี่เริ่มมีสีเทเสียสีเทเนียไม่ค่อยได้ไปนะที่สองเดือนไปผล น, นะนะชนะอันใกล้หน่อยร้อยกิโลก็ไปได้บ่อยหน่อยแต่ไปหาทุกสัปดาห์อยู่แล้วระหว่างสัปดาห์แต่สีเทศสีมันกลมากกำลังจัดเตรียมอยู่ว่าจะทำไงก็ต้องมีคนเพิ่มก็ขอพระเจ้าพงขอเพิ่มคนขอเพิ่มคนคนไห น, น, นคนที่จะมารับใช้คนที่มาร่วมกันเกตเกียว ผมไม่ไหวแล้วไงผมบอกพระเจ้าไม่ไหวแล้วไอ้ตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ให้มาเพราะยังทำไหวอยู่ทำไปหมดเรี่ยวหมดแรงเมื่อไหร่แล้วคุณสู้โหยังเป็นภาระพระเจะยังมีอีกเยอะเลยตอนนี้มีแปดแห่งยังเหลืออีกต้องการสองแห่งนะพงศ์เจ้าค่ะโอเจ้าเอาไงอ่ะ ต, ต้องพระเจ้าอย่างเดียวแหละถ้าพระเจ้าไม่ส่งคนมามันทาไม่ได้อีกแล้วน า, าถิงวัยฐานขอจากพระเจ้าครับขอทรงคนมา แต่ผมจะไม่รอร้อยคนแล้วเปิดไม่รอจะทําไปเรื่อยเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันเองเชื่อฮะนั่นคือสิ่งที่ว่า พ, พระเจ้าก็มีหัวใจเดียวกับพระเจ้าไงพระเจ้าอยางเห็นทุกแข่งในคลิปจักเนไงในยมโซ่ก็โโกมีเป้าหมายร่วมกันว่าในปี2020จะไม่คลิปจักทุกตาบลเรามีกี่ตาบลตรงนี้93ตําบล93ตําบลนี้เรามีคลิปจักอยู่มานสัก50ตําบลประมาณนั้นนะ่ะยังขาดอีก40กว่าตาบล แต่หลายที่จักร่วมกันนะไม่ใช่ผมคนเดียวนะหลายจะบพร่เจร่วมกันนั่นคือสิ่งที่มาภายในปี2020เราจะเห็นพิศโลกทุกตำบลมีคริสจับรเจ้าอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพื่อการขยายอิทธิพลแต่เพื่ออยากจะเห็นคนพบพระเจ้าเราประกาศเพื่อคนจะพบพระเจ้าผมไม่ได้ประกาศให้ใครมาเป็นคริสเตียนแต่ผมประกาศให้คนพบพระเจ้าเมื่อเขาพบพระเจ้าเขาจะรู้ว่าต้องทํำยังไง การเป็นคริสเตียนการมาบวชเป็นเรื่องของผลพลอยได้ทิ่นตามมันเองโดยธรรมชาตินั่นก็หนุนใจนั่นก็สุดท้ายอย่างหนุนใจพี่น้องว่าคุณลักษณะที่จะเป็นคนที่มีหัวใจแห่งนิมิตคนที่มีความอุทิศตนคนที่มีมืออาชีพในการรับใช้คนที่มีความกระตือร้นคนที่มีความรูมพ้พีคนที่มีประสบการณ์พระเจ้ายาวนานพวกนี้จะต้องมีหัวใจมีลักษณะเหมือนพระเยซูสองอย่างอย่างแรกคือติดตามนิมิตของพระยะของพระเจ้า ติดตามมิตรของพระเยซูรับมิตรจากพระรง อ, องค์ทำตามมิตรและมีการคาดหวังมิตรนั้นสองทำตามภารกิจของพระเยซูเหมือนอย่างพระเยซูทำรู้ว่าต้องทาอะไรนะสอนประกาศรักษาโรคแล้วก็ให้เรารักคนอย่างพระเยซูรักเห็นเขาสงสารเขารักเขาอยากช่วยเหลือเขาเห็นอย่างพระเยซูเห็นพ่อมีมากเหลือเกินนะมีมากความต้องการมีสูงเหลือเกิน แล้วก็บากขออย่างพระเยซูอขอเมื่อไม่ไหวแล้วพระองค์จะขอคนช่วยหน่อยเพราะว่ามีมากเหลือเกินแต่ทั้งหมดนี้อยากจะหนุนใจว่าวันนี้พ่อพีออนไลน์แชร์กันทั่วไปว่าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่อยู่ในพระสวงพิดาได้สำแดงพระเจ้าแล้วในพระธรรมยอเป็นหนึ่งข้อสิบแปดพระบุตรองรเดียวของพิดา คือพระเยซูปีตเจ้าพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วในยุคสมัยพระเยซูพระเยซู NOUNCER สำแดงพระเจ้าในยุคสมัยนี้ใครจะสำแดงพระเจ้าไม่มีใครเคยเห็นพระบิดาพระบุตรองเดียวของพระองค์ที่อยู่ในพระสวงพระบิดาได้สำแดงพระบิดาแล้วในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีใครเคยเห็นร พ, พระรเจ้าแต่มีคนกลุ่มเดียวที่เห็นพระเจ้าคือคริสตจักรของพงอระเจ้า นั voilà. ้นคริสจากพระเจ้าถือว่าเป็นลูกของพระเจ้าที่อยู่ในพระสวงพิดาพระพิดาทรงอยู่ในเราเราทรงอยู่ในพิดาพระคริสอยู่ในเราเราอยู่ในพระคริสพุ่งยาไปสุดในเราเราอยู่ในพุ่งยาพวงธาตุหวังว่าคริสจากพระเจ้าจะสําแดงพระเจ้าไม่มีใครสําแดงพระเจ้าได้นอกจากคนของพระเจ้าไม่มีผมพูดเสมอว่าคนในโลกนี้ต้องการพระเจ้าคนในโลกนี้ต้องการพระเจ้า แต่เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าที่เขาต้องการคือใครปัญหามีแค่นี้เองเขาต้องการพระเจ้าแต่เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าที่เขาต้องการคือใครเขาจึงตะเวงหาไปเรื่อยไงจนชาวเกลยอไงแต่พระเจ้าที่ไม่รู้จักกําลังแปลความอะไรไอ้ที่ผ่านมาหลายองค์นะี่ยมันยังไม่ใช่ที่ผ่านมานั้นยังไม่ใช่ จริงพวกแดดที่เืทพเจ้ามันรู้จักคนในโลกนี้เหมือนกันก็แสวงหาแสวงหาแสวงหาและยังมีคําถามว่าแล้วพระเจ้าที่แท้จริงอยู่ไหนและใครรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงองนั้นก็คือคริสตจักรพระเจ้าคริสเตียนเราไม่พูดใครจะรู้เราไม่สัมเดงใครจะเห็นนั้นพระเยซูฝากความหวังเรื่องการสรัมเด่งพระเจ้าไว้กับคริสตจักรของพระองค์คือผู้เชื่อในพระเจ้า ล้วบอา Disability, ออกไปสั่งสอนชาติให้เป็นสาวกของพระองค์นั่นก็ห น, นุนใจมองเห็นว่าเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าที่อยู่ในพระสวงพระเจ้าและได้สาแดงพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์เป็นบุตรพระเจ้าอยู่ในพระสวงพระเจ้าและได้สาแดงพระเจ้าและพระองค์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นถ่ายทอดภรรารกิจนั้นถ่ายทอดความหวังนั้นวันนี้ตัวของเตียนเท่านั้น ไว้ตัวคลิกจักรของพระองค์เทนั้นนั้นผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พระเจ้ากำลังเรียกร้องสูงผมบอกว่าพระเจ้ากำลังฟื้นฟูประเทศไทยและในภาพรวมผมเห็นคนรุ่นใหม่นะถวายตัวเพื่อรับแทบเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหน้าจริงคนรุ่นเก่าคืออะไรหนุนกําลังถ้าเป็นรูปเป็นล้านเราบอกอยกรับแทบพเจ้าถามสองสามคำเดียว ถามคำเดียวพอมั่นใจใช่ไหมคำเดียวพอมั่นใจใช่ไหมถ้ า, อาตอบว่ใช่ส่งเสริมไปเลยส่งเสริมให้คนอยู่ในทางพระเจ้ายังไงก็ไม่ล้มเหลวครับแต่ถ้าส่งเสริมไม่ตามทางเราตอบไม่ได้ผมเชื่อว่าเมื่อเราอยู่ในทางพระเจ้าพระเจ้าให้เราเป็นหัวเสมอไม่เคยเป็นหางพระเจ้าดูแลตลอดเวลา ไม่ต้องห่วงวิธีการรูแลพระเจ้ามีเยอะนะนั้นก็หนุนใจนะฮะว่าพระเจ้าคาดหวังคุ้จักพระเจ้าเป็นเหมือนบุตรในอกของพระเจ้าและพระองค์อยากให้สาแดงพระเจ้าคนในโลกนี้อยากรู้จักพระเจ้าแต่เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าที่เขาอยากรู้จักเป็นใครแต่คนที่รู้จักคือเราเรารู้จักพระเยซูเรารู้ เรามีการได้เปรียบเทียบเรามีประสบการณ์เฉพาะคนที่ไม่มีไม่เป็นคริสเตียนอย่างผมเมื่อก่อนรู้ว่าดีคืออะไรรู้ว่าเมื่อพ่อพระเยซูแล้วเป็นไงแล้วเมื่อรู้ว่าติดตามพระเยซูมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุยได้ลูกหลานคริสเตียนก็ไม่ใช่ปัญหานะลูกหลานคริสเตียนเนี่ยโอ้โหมหาศาลท่านเจริญเติบโตขึ้นมาบนพ้นฐานของก็เลยบุญที่พ่อแม่สร้างเอาไว้ผู้ตราวภาษาไทยนะ พ่อแม่รับใช้พระเจ้าลูกกินได้ดีไปสังเกตดูไดนะ้ไหมีลูกรับใช้พระเจ้าคนไหนมั่งถึงแม้ยังไงก็ตามแต่พระเจ้าให้เขาได้ดีแต่เสียดายหลายครั้งลูกหลานของพระเจ้าลูกหลานคาสเตียนกินแต่บุญเก่าพอบุญเก่าหมดแล้วก็ขาดจากพระเจ้าแล้วและพระเจ้าให้จริงนะสีส่ั่วอายุผมเคยทํำลายพวกนี้นะ ลายคนที่ติดตามพระเจ้านะถ้าพ่อทำลูกได้ล้วพระพรและถ้าลูกทําต่อไปพระพรก็ต่อเนื่องไปแต่ถ้าพ่อทําลูกได้รับพระพรและลูกไม่สนใจพระเจ้าหลานยังได้รับพระพรอยู่นะและอาจจะไปถึงเหลนพอจบจากเหลนถ้าเหลนไม่รับพระเจ้าหายแบบหาไม่เจออีกต่อไปเลยนั่นหนุนใจรับว่าให้เราติดตามพระเจ้า เราติดตามพระเจ้าสอนลูกเราติดตามพระเจ้าสอนหลายติดตามพระเจ้าส่งเสริมให้เขาติดตามพระเจ้าไม่มีอะไรกับติดตามพระเจ้าและพระเจ้าส่งเสริมทางดีนั้นขอพระเจ้าส่งนำมาอวยพรในชีวิตเรานะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นตัวแทนของพูดการฟื้นฟูเกิดขึ้นได้เมื่อเรายอมเป็นตัวแทนของพระเจ้าและพระเจ้าทําการสั่นมากมายตรงนี้เกินความเข้าใจ จริงๆผมได้ยินคำทยามกับสตรีภาคโคกโอเกินความเข้าใจนะเหตุผลเดียวพระเจ้าล้วนๆไม่มีอย่างอื่นคนอื่นก็อยากจะพบอย่างนี้เหมือนกันนะอยากจะพบอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วก็เฝ้าห า, ห า, หาแต่ถ้าเราไปเล่าฟังใช่แล้วใช่แล้วที่ฉันอยากเจอใช่แล้วขอให้เราเป็นคนนั้นเป็นลูกพระเจ้าอยู่ในพระสวงพบิดา และซ้ำแดนพระเจ้าเราร่วมใจถานด้วยกันสันเสริญพระเจ้าให้ตีเล่นเพลงให้ข้ารมาเข้าใกล้เพลงสุดท้ายคนทีนี้นักร้องช่วยร้องใจถานพระเจ้าด้วยกันสันเสริญร <Hallelujah. S 1> พระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดเราสมควรกับการสันเสริญ โร่งจะขาดช่วยครับพระองคได้รู้จักพรงมากขึ้นเข้าใกล้พรงมากขึ้นเห็นอย่างที่พรงได้เห็นมีโอกาสได้ทําอย่างที่พรงค์ทำมีโอกาสได้พูดอย่างที่ทรงพูดเพื่อคนจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวทตของหลาย และเพื่อสังหายจะเป็นที่ถวายเกียรติอย่างค์คนในโลกนี้ต้องการพระเจ้าคนในประเทศไทยต้องการพระเจ้าแต่เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าที่ต้องการคือใครแต่เราขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือใครคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์เรามีประสบการณ์กับพระองค์ เรามีการได้พบพระองค์เป็นการส่วนตัวเรามีการได้คุยคำถามกับพระองค์และเรามีสบการ์ว่าพระเจ้าได้ฟังคำถานเราและเรามีประสบการณ์พระเจ้ากตอบคําำถามเราครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนเรามั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้คือพระเจ้าแท้แท้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าองค์นี้คนต้องการเป็นพระเจ้าที่เมืองการส่งตอบแทน พระทั่วไปอาจต้องการสิ่งตอบแทนพระทั่วไปอาจมีการยื่นหนูยื่นแนวคุณขอฉันจะให้กับสิ่งตอบแทนฉันแต่สำหรับพระเจ้าแล้วไม่ต้องการสิ่งตอบแทนพร้อมให้อะไรก็ตามแต่เป็นสี่ดีกับเราพร้อมให้เราขอพระเจ้าช่วยข้ลมาจะมีหัวใจเหมือนพงมองเห็นคนทั่วไปแล้วเขาเห็นว่าเขาก็เพื่อนกระสน เขาอยากจะพบกับพระเจ้าองค์แท้แท้เขาถูกรำควานเขาถูกกดที่ขุมเฮงเขาถูกเอารัดเอาเปรียบเขาต้องต่อสู้ริมนหล่นเร่งราเขาและเขาเหนื่อยเขาอยากการพระเจ้าที่ช่วยเขาได้และพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่ช่วยเขาได้นำประสบการณ์เราไปบอกเขาไปเล่าเขาฟัง ส่วนเขาจะตอบสนองแบบไหนนั้นไม่มี่ปัญหาของเรานาทีนาทูหวังนีทำด้วยความรักทำด้วยความปวงใจเราก็างังบ่ก็ฟังสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าาร็ยาสรรเสริระเจ้ารสุขอมาเกิดแต่พระเจ้าใที่สุดสรรเสริญและขอบพระคุณประเจาฮาเลลู ย, ยาให้เข้ายจเข้าใกล้พงะเจุ้วัน เพื ue, But, ities, ่อทำานชื่อสงการใหม่กับพวกทุกวันได้พบกับความรักประเจ้าทุกวันเพื่อต้องกาจะรักที่สุดได้ทุกวันสันเริลขอบขอบขอบขอบขอรขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอรขอบขอบขอบขอบขอบขอบขะเยซูขอบาอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบของขอบความรอบคนบขอบยต้องการขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบประเจ้าอขอบขอบขอบขอบขอบขอบขขอบบ พระเจ้าไม่ใช่ศาสนาเราไม่พูดเรื่องพระเยซูเพื่อจะเปล่งไคลบามเป็นคลิกแต่ เ, เราพูดเรื่องพระเยซูเพื่อเขารู้ว่ามีพระเจ้าที่ช่วยเขาไเพื่อเขาจะพบกับพระเจ้าและเขาจะรับประดุจการพบพระเจ้าสังเสริมและขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสังเสริญพระ เ, เจ้ า, าอเมนขอบเจ้าชุ่มนมในจิตใจ ทรงไวยพอดทรงไวยพอดฮาโลยาพระเจ้าตรัสผ่านคำราดนี้ให้เราฟังเสียงพระเจ้าเราฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้ากำลังคุยกับเรากำลังพูงงง ang, ดกับในจิตใจของเราพระเจ้ากำลังเร่าใจของเราพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวในตัวของเราในจิตของเราในจิตใจของเราในความคิดของเราฟังพระเจ้าครับและตอบคําว่าข้าพงอยู่นี่ข้าพรงอยู่นี่ ขาพุงยูนี่ใช่ข้าพงไปเถิดแล้วที่เยซูบอกพระาว่าข้าพุงอยู่นี่ใช้ข้าพงไปเถิด ท, ทางที่จสั่เสริญพระจ้าโอ้ขอบคุณในความรักพระจ้าใใหญ่สมควรแกการส่งเสริมขอบพระคุณประทีสเสริญพระจา เราสนใจคู่กับพระเจ้าของเราฟังเสียงพระเจ้าที่ดังขึ้นในจิตใจของเราให้เราตอบสนองกับเสียงนั้นเพราะเป็นเสียงของพระเจ้าที่กำการพูดกับเราในพระเจ้าไม่มีความกลัวในพระเจ้ามีความรักความที่ชุมดีความปรารถนาดี ความตั้งใจดีเพื่ออยากเห็นผูกอื่นได้พบพระเจา้าสันเสริญพระเจา้าจงไว้พรอทุกคนพงศ์เจ่าที่เสียงของพงศ์จะดั ง, งกึกก้องในหูแจ้งเขาสืบสืบไปเพราะเสียงพระเจ้าไม่มีวันตาย เพียงแต่ข้าหวายขอตอบสนองต่อเสียงเรียกของพงษ์และติดตามพงษไปเสียงพงษ์ก็จะชัดขึ้นและเราจะรู้จักพงษ์มากขึ้นขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนใครเจ็บใครป่วยเอามือวางท่านเจ็บป่วยนั้นใครทุกข์ใจเอามือวางที่หัวใจของท่าน พระบิดาจ่าฐานสังเสริมขอบพระคุณพระองค์โดยอโลหิตประเสริฐของพระเยซูโดยแผลรอยเค็งของพระองค์ทุกๆมือที่วางไปเนื่องจากอาการเจ็บป่วยไม่ว่าการเจ็บป่วยภายนอกหรือการเจ็บป่วยภายในในนามของพระเยซูกิฟชาวนาสเร็จจงหายเป็นปกติขอบพระคุณพระองค์ในการรักษาของพระองค์คนที่ทุกข์ใจหนักใจ พอใจคนก็วายใจอึดอัดในหัวใจเหมือนภูเขาทับปกในนามของพระเยซคิสตชานาเซ็ตขอสั่งพระานี้ลอยออกไปขอปัญญาสิทงเจิมและอวยพรสันิสุฆ์พระเจ้าจะครอบครองจิตใจและความเปี่งเขาไว้ความชื่นชมดีพระเจ้าจะเต็มเตี่ยมในหัวใจของเขาเพราะความชื่นชมดีพระเจ้าเป็นกําลังขับไหลายและใจที่ร่าเริง ก็เป็นยายอย่างดีขอบคุณในความรักกรุงในพนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจก่อ ค, ครับ